ภิกษุณีตอบไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือหนึ่งหญิงมีอายุต่ำกว่า12ปีภิกษุณีสําคัญว่าอายุครบจึงบวชให้ 2. หญิงมีอายุครบ12ปีภิกษุณีสําคัญว่าอายุครบจึงบวชให้ 3. าภิกษุณีวิกลจริต 4. ีภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่5จบ